มนุปุปภาภิสมยกถาว่าด้วยการบรรลุธรรมโดยลำดับสามรสาสิก่อสนมีการบรรลุธรรมโดยลำดับใช่ไหมปรใช่สอกอบุคคลเจริญโสดาปฏิมัคได้โดยลำดับใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสอกอบุคคลเจริญโสดาปฏิมัคได้โดยลำดับใช่ไหมปรใช่สอกอ บุคคลทำให้แจ้งโสดาปฏิผลได้โดยลำดับใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกเนื้การบรรลุธรรมโดยลำดับใช่ไหมปรใช่สกบุคคลเจริญสกะทาคามิมักได้โดยลำดับใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกบุคคลเจริญสกะทาคามิมักได้โดยลำดับใช่ไหมปรใช่สก บุคคลทำให้แจ้งสกทาคาคมิผลได้โดยลำดับใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสก OK, มีการบรรลุธรรมโดยลำดับใช่ไหมปรใช่สก OK, บุคคลเจริญอนาคามิมักได้โดยลำดับใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสก OK, บุคคลเจริญอนาคามิมักได้โดยลำดับใช่ไหมปรใช่สก OK, บุคคลทำให้แจ้งอนาคามิผลได้โดยลำดับใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกมีการบรรลุธรรมโดยลำดับใช่ไหมปรใช่สกบุคคลเจริญอรหัตมรรมได้โดยลำดับใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกบุคคลเจริญอรหัตมรรมได้โดยลำดับใช่ไหมปรใช่สก บุคคลทำให้แจ้งอรหัตผลได้โดยลำดับใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสาม้อยสี่สิบสกบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งโสดาปฏิผลและอะไรได้ด้วยการเห็นทุกปรละสักกายทิฐิวิจิ ก, กิจฉาศีลปะตะปรามาและกิเลส ท, ที่มีอยู่ในจิตดวงเดียวกันกับกิเลส ท, ทั้งสามนั้นได้หนึ่งในสี่ส่วนสก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 ผู้ศัตดิ์ศักขัตตุประมะโกลังโกละเอขะพีชีประกอบด้วยความเลื่อมใสที่มีวันไหวในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์ประกอบด้วยศีลที่พระอริยะชอบใจเมื่อละกิเลสได้หนึ่งในสี่ส่วนไม่ประกอบด้วยศีลที่พระอริยะชอบใจใช่ไหมปรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทําให้แจ้งโสดาปติผล และอะไรได้ด้วยการเห็นสมุทัยด้วยการเห็นนิโรธด้วยการเห็นมรรคอรและสักกายทิฐิวิจิกิจชาศีลพัตปรามาฏและกิเลส ท, ที่มีอยู่ในจิตดวงเดียวกันกับกิเลส ท, ทั้งสามนั้นได้หนึ่งในสี่ส่วนสกเมื่อละกิเลสได้หนึ่งในสี่ส่วนเป็นพระโสดาบันเมื่อละกิเลสได้หนึ่งในสี่ส่วนไม่เป็นพระโสดาบันเมื่อละกิเลสได้หนึ่งในสี่ส่วน ท่านถึงได้บรรลุทําให้แจ้งเข้าถึงอยู่สัมผัสโสดาปฏิผลด้วยกายอยู่เมื่อละกิเลได้หนึ่งในสี่ส่วนไม่สัมผัสโสดาปฏิผลด้วยกายอยู่เมื่อละกิเลได้หนึ่งในสี่ส่วนเป็นพระโสดาบันผู้สัตตักขตุปรม a โกลังโกละเอขพีชีประกอบด้วยความเลื่อมใสที่ไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์ ประกอบด้วยศีลที่พระอริยะชอบใจเมื่อละคีเลได้หนึ่งในสี่ส่วนไม่ประกอบด้วยศีลที่พระอริยะชอบใจใช่ไหมปอรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นส4 1สอดกอบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งสะกะทาคามิผลและอะไรได้ด้วยการเห็นทุกปอรรและกามราคะพยาบาทอย่างอยาก และกิเลสที่มีอยู่ในจิตดวงเดียวกันกับกิเลสทั้งสองนั้นได้หนึ่งในสี่ส่วนสกเมื่อละกิเลสได้หนึ่งในสี่ส่วนเป็นพระสกทาคามีเมื่อละกิเลสได้หนึ่งในสี่ส่วนไม่เป็นพระสกท า, าคามีเมื่อละกิเลสได้หนึ่งในสี่ส่วนท่านถึงได้บรรลุทําให้แจ้งเข้าถึงอยู่สัมผัสสกท า, าคามีผลด้วยกายอยู่เมื่อละกิเลสได้หนึ่งในสี่ส่วน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 สามสสองสกอบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทําให้แจ้งอนาคามิผลและอะไรได้ด้วยการเห็นทุกข์ปรละกามราคะอย่างละเอียดพยายามอย่างละเอียดและกิเลสที่มีอยู่ในจิตดวงเดียวกันกับกิเลสทั้งสองนั้นได้หนึ่งในสี่ส่วนสอกอเมื่อละกิเลสได้หนึ่งในสี่ส่วนเป็นพระอนาคามีเมื่อละกิเลสได้หนึ่งในสี่ส่วนไม่เป็นพระอนาคามี เมื่อละกิเลสได้หนึ่งในสี่ส่วนท่านถึงได้บรรลุทำให้แจ้งเข้าถึงอยู่สัมผัสอนาคามิผลด้วยกายอยู่เมื่อละกิเลสได้หนึ่งในสี่ส่วนไม่สัมผัสอนาคามิผลด้วยกายอยู่เมื่อละกิเลสได้หนึ่งในสี่ส่วนเป็นพระอนาคามีผู้อันตราปริญพายีผู้อุปหัจจะปริญพายีผู้อสังขาระปริญพายีผู้สสังขาระปริญพายี ผู้อุดทังโสโตอะกนิทะคามีเมื่อละกิเลสได้หนึ่งในสี่ส่วนไม่เป็นพระอนาคามีผู้อุดทังโสโตอะกนิทะคามีใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งอนาคามิผลและอะไรได้ด้วยการเห็นสมุทยัยด้วยการเห็นนิโรธด้วยการเห็นมรรคปรละการมราคะอย่างละเอียดพยาบาทอย่างละเอียด และกิเลสที่มีอยู่ในจิตดวงเดียวกันกับกิเลสทั้งสองนั้นได้หนึ่งในสี่ส่วนสกเมื่อละกิเลสได้หนึ่งในสี่ส่วนเป็นพระอนาคามีเมื่อลกิเลสได้หนึ่งในสี่ส่วนไม่เป็นพระอนาคามีเมื่อละกิเลสได้หนึ่งในสี่ส่วนท่านถึงได้บรรลุทําให้แจ้งเข้าถึงอยู่สัมผัสอนาคามิผลด้วยกายอยู่เมื่อละกิเลสได้หนึ่งในสี่ส่วน ไม่สัมผัสอนาคามิผลด้วยกายอยู่เมื่อละกิเลสได้หนึ่งในสี่ส่วนเป็นพระอนาคามีผู้อันตราปรินิพพายีละถึงผู้อุปหัจจะปรินิพพายีผู้อสังขาระปรินิพพายีผู้สสังขาระปรินิพพายีผู้อุทังโสโตๆๆๆๆอคติทักามีเมื่อละกิเลสได้หนึ่งในสี่ส่วนไม่เป็นพระอนาคามีผู้อุทังโสโตอคติทักามีใช่ไหม ปอรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นส4 3อส่บากบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทําให้แจ้งอารหัตผลและอะไรได้ด้วยการเห็นทุกข์ปอรอและรูปปราคาอรูปปราคะมานะอุทัจจะอวิชชาและกิเลสที่มีอยู่ในจิตดวงเดียวกันกับกิเลสทั้งห้านั้นได้หนึ่งในสี่ส่วนสกเมื่อละกิเลสได้หนึ่งในสี่ส่วน เป็นพระอระหันต์เมื่อละกิเลสได้หนึ่งในสี่ส่วนไม่เป็นพระอระหันต์เมื่อละกิเลสได้หนึ่งในสี่ส่วนท่านถึงได้บรรลุทําให้แจ้งเข้าถึงอยู่สัมผัสอรหันตผลด้วยกายอยู่เมื่อละกิเลสได้หนึ่งในสี่ส่วนไม่สัมผัสอรหัตผลด้วยกายอยู่เมื่อละกิเลสได้หนึ่งในสี่ส่วนเป็นผู้ปราศจากราคะโทสะโมหะทํากิจที่ควรทําเสร็จแล้ว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 รู้ยิ่งทำที่ควรรู้ยิ่งกําหนดรู้ทำที่ควรกําหนดรู้และทำที่ควรละเจริญทำที่ควรเจริญทําให้แจ้งทำที่ควรทําให้แจ้งเมื่อละกิเลสได้หนึ่งในสี่ส่วนไม่ทําให้แจ้งทำที่ควรทําให้แจ้งใช่ไหมปอรรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทําให้แจ้งอรหัตผลและอะไรได้ด้วยการเห็นสมุทัยด้วยการเห็นนิโรธด้วยการเห็นมร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 สัมผัสอารหัตผลด้วยกายอยู่เมื่อละกิเลสได้หนึ่งในสี่ส่วนไม่สัมผัสอารหัตผลด้วยกายอยู่เมื่อละกิเลสได้หนึ่งในสี่ส่วนเป็นผู้ปราศจากราคะโทสะโมหะทำกิดที่ควรทำเสร็จแล้วปลงภาระแล้วบรรลุประโยชน์ตนแล้วหมดสิ้นกิเลสเครึ่องผูกสัตว์ไว้ในภพแล้วหลุดพ้นเพราะรู้ชอบถอดลิ่มสลักกลบคู่ถอนเสาระเนียได้แล้ว ไม่มีบานประตูเป็นพระอริยะปลดทงคือมานะวางภาระคือขันหมวกเครื่องผูกพันชนะอย่างวิเศษแล้วท่านกาหนดรู้ทุกและสมุทัยทาให้แจ้งนิโรธจเจริญมักแล้วรู้ยิ่งทำที่ควรรู้ยิ่งกาหนดรู้ทำที่ควรกาหนดรู้และทำที่ควรล ะ, จะเจริญทำที่ควรเจริญทำให้แจ้งทำที่ควรทำให้แจ้งเมื่อละกิเลสได้หนึ่งในสี่ส่วน ไม่ทำให้แจ้งทำที่ควรทำให้แจ้งใช่ไหมปอรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสามร้อยสี่สิบสี่สกบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งโสดาปฏิผลเมื่อเห็นทุกท่านจึงยอมรับว่าเป็นผู้ปฏิบัติใช่ไหมปอรอใช่สกครั้นเห็นทุกแล้วท่านจึงยอมรับว่าเป็นผู้ตั้งอยู่ในผลใช่ไหมปอรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้น สกเมื่อเห็นสมุทัยเมื่อเห็นนิโรธท่านจึงยอมรับว่าเป็นผู้ปฏิบัติใช่ไหมปอรอใช่สกครั้นเห็นนิโรธแล้วท่านจึงยอมรับว่าเป็นผู้ตั้งอยู่ในผลใช่ไหมปอรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทําให้แจ้งโสดาปฏิผลเมื่อเห็นมรกท่านจึงยอมรับว่าเป็นผู้ปฏิบัติ ครั้นเห็นมักแล้วท่านจึงยอมรับว่าเป็นผู้ตั้งอยู่ในผลใช่ไหมปรใช่สกเมื่อเห็นทุกข์ท่านจึงยอมรับว่าเป็นผู้ปฏิบัติครั้นเห็นทุกข์แล้วท่านจึงยอมรับว่าเป hmm. ็นผู้ตั้งอยู่ในผลใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกเมื่อเห็นมักท่านจึงยอมรับว่าเป็นผู้ปฏิบัติครั้นเห็นมักแล้วท่านจึงยอมรับว่าเป็นผู้ตั้งอยู่ในผลใช่ไหม อรอใช่สกเมื them, ่อเห็นสมุทัยเมื่อเห็นนิโรธท่านจึงยอมรับว่าเป็นผู้ปฏิบัติครั้นเห็นนิโรธแล้วท่านจึงยอมรับว่าเป็นผู้ตั้งอยู่ในผลใช่ไหมอรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทาให้แจ้งโสดาวปฏิผลเมื่อเห็นทุกข์ท่านจึงยอมรับว่าเป็นผู้ปฏิบัติครั้นเห็นทุกข์แล้วท่านไม่ยอมรับว่า ข้าพเจ้ายอมรับว่าเป็นผู้ตั้งอยู่ในผลใช่ไหมปรใช่สกเมื่อเห็นมักท่านจึงยอมรับว่าเป็นผู้ปฏิบัติครั้นเห็นมักแล้วท่านไม่ยอมรับว่าข้าพเจ้ายอมรับว่าเป็นผู้ตั้งอยู่ในผลใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกเมื่อเห็นสมุทัยเมื่อเห็นนิโรธท่านจึงยอมรับว่าเป็นผู้ปฏิบัติครั้นเห็นนิโรธสัตว์แล้ว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 ปอรอ์ใช่สกการเห็นนิโรธไม่มีประโยชน์ใช่ไหมปอรอ์ไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสามร้อยสี่สิบห้าปอรอ์ครั้นเห็นทุกข์แล้วก็เป็นอนเห็นสัจจะสใช่ไหมสกใช่ปอรอ์ทุกข์สัจเป็นสัจจะสี่ใช่ไหมสกไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกครั้นเห็นรูปรขันโดยความเป็นสภาวะไม่เที่ยงแล้ว ก็เป็นอันเห็นขันห้าโดยความเป็นสภาวะไม่เที่ยงใช่ไหมปรใช่สกรูปประขันเป็นขันห้าใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกขันเห็นจากขายาตนะโดยความเป็นสภาวะไม่เที่ยงแล้วก็เป็นอันเห็นอายตนะสิบสองโดยความเป็นสภาวะไม่เที่ยงใช่ไหมปรใช่สกจากขายาตนะเป็นอายตนะสิบสองใช่ไหม ปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกคลั้นเห็นจักขู่ธาตุ้วยความเป็นสภาวะไม่เที่ยงแล้วก็เป็นอันเห็นท่าสิบแปด้วยความเป็นสภาวะไม่เที่ยงใช่ไหมปรใช่สกจักขู่ธาตุเป็นท่าสิบแปดใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกคลั้นเห็นจักขุนสี่โดยความเป็นสภาวะไม่เที่ยงแล้ว ก็เป็นอันเห็นอินทรีย์ยีสิบสองโดยความเป็นสภาวะไม่เที่ยงใช่ไหมปรใช่สกจกับขุนศีเป็นอินทรีย์ยี่สิสองใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกบุคคลย่อมทำให้แจ้งโสดาปฏิผลด้วยยานศีใช่ไหมปรใช่สกโซดาปฏิพลดมีศีใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสก บุคคลย่อมทำให้แจ้งโสดาปฏิผลด้วยยานแปดใช่ไหมปรใช่สกโสดาปฏิผลมีแปดใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกบุคคลย่อมทำให้แจ้งโสดาปฏิผลด้วยยานสิบสองใช่ไหมปรใช่สกโสดาปฏิผลมีสิบสองใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสก บุคคลย่อมทำให้แจ้งโสดาปฏิผลด้วยยาน44ใช่ไหมปรใช่สกโซดาปฏิผลมี44ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกบุคคลทำให้แจ้งโสดาปฏิผลด้วยยาน77ใช่ไหมปรใช่สกโซดาปฏิผลมี77ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสามอยสี i, ่ิหก ปรท่านไม่ยอมรับว่ามีการบรรลุธรรมโดยลําดับใช่ไหมสกใช่ปรพระสู่ที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายท ร, รมวินัยมีการศึกษาไปโดยลําดับมีการบําเพ็ญไปโดยลําดับมีการปฏิบัติไปโดยลําดับมิใช่มีการบรรลุอรหัตผลโดยทันทีเหมือนมหาสมุทรต่ําลงไปโดยลําดับลาดลงไปโดยลําดับลึกลงไปโดยลําดับ ไม่ลึกชันดิงไปทันทีมีอยู่จริงนี่ใช่หรือสอกอใช่ปรดังนั้นจึงมีการบรรลุธรรมโดยลำดับปรท่านไม่ยอมรับว่ามีการบรรลุธรรมโดยลำดับใช่ไหมสกใช่ปรพระสู่ที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าผู้มีปัญญาพึงกำจัดมนลทินของตนทีละน้อยทีละน้อยทุกขณนะโดยลำดับ เหมือนช่างทองกำจัดสนิมทองนี่อยู่จริงไม่ใช่หรือสอกอใช่ปรดังนั้นจึงมีการบรรลุธรรมโดยลำดับสอกอท่านยอมรับว่ามีการบรรลุธรรมโดยลำดับใช่ไหมปรใช่สอกอพระสูตรที่ว่าท่านพระขวัมปฏิเทระกล่าวกับภิกษุทั้งหลายดังนี้ว่าผู้มีอายุทั้งหลาย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 เห็นทุกขสมุทัยบ้างเห็นทุกขนิโรธคาไมนีปฏิปทาบ้างผู้ใดเห็นทุกขนิโรธคาไมนีปฏิปทาผู้นั้นชื่อว่าเห็นทุกบ้างเห็นทุกขสมุทัยบ้างเห็นทุก ข, น, กขนิโรธบ้างมีอยู่จริงมิใช่หรือป ร, รอใช่สกดังนั้นท่านจึงม่ควรยอมรับว่าเนือการบรรลุธรรมโดยลาดับสก มีการบรรลุธรรมโดยลำดับใช่ไหมป ร, รใช่สกพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าพร้อมกับการได้บรรลุโสดาปติมัคและเป็นผู้ไม่ควรเพื่อทำอภิฐานหกมีอยู่จริงมิใช่หรือป ร, รใช่สกดังนั้นท่านจึงไม่ควรยอมรับว่ามีการบรรลุธรรมโดยลำดับสกมีการบรรลุธรรมโดยลำดับใช่ไหม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 วิจิกิจชาและศีละปะปรามาตมีอยู่จริงไม่ใช่หรือป ร, ร, รใช่สกดังนั้นท่านจึงไม่ควรยอมรับว่ามีการบรรลุธรรมโดยลำดับอนุปปภาพิสมัยกถาจบ โวหารกถาว่าด้วยพระโวหารสามร้อยสี่สิบเจ็ดสกพระโวหารของพระผู้มีพระพาพภาคพุทธเจ้าเป็นโลกุตระใช่ไหมปอรอใช่สกพระโวหารของพระผู้มีพระภาค พ, พุทธเจ้ากระทบโสตะที่เป็นโลกุตระเมื่อกระทบโสตะที่เป็นโลกียะรับรู้ได้ด้วยวิญญาณที่เป็นโลกุตระรับรู้ไม่ได้ด้วยวิญญาณที่เป็นโลคียะ พระอริยสาวกรับรู้ได้แต่ปุถุชนรับรู้ไม่ได้ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกพระโวหารของพระผู้มีพระภาค พ, พุทธเจ้ากระทบโสตะที่เป็นโลคิยะมิใช่หรือปรใช่สกหากพระโวหารของพระผู้มีพระภาค พ, พุทธเจ้ากระทบโสตะที่เป็นโลคิยะท่านก็มิควรยอมรับว่า พระโวหารของพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าเป็นโลกุตระสกพระโวหารของพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้ารับรู้ได้ด้วยโลกียาวิญ ญ, ญ, ญาณไม่ใช่หรือปรอใช่สกหากพระโวหารของพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้ารับรู้ได้ด้วยโลกียะวิญ ญ, ญาณท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าพระโวหารของพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าเป็นโลกุตระสก พระโวหารของพระผู้มีพระภาค พ, พุทธเจ้าปุตุชนก็รับรู้ได้ไม่ใช่หรือป ร, รอใช่สกหากพระโวหารของพระผู้มีพระภาค พ, พุทธเจ้าปุตุชนก็รับรู้ได้ท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าพระโวหารของพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าเป็นโลกุตระสามร้อยสี่สิบปดสกพระโวหารของพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าเป็นโลคุตระใช่ไหมป ร, รใช่ สอกอเป็นมักผลนิพพานโสดาปฏิมักโสดาปฏิผลสกทาคามิมักสกทาคามิผลอนาคามิมักอนาคามิผลอรหัตมักอรหัตผลสติปฐานสั ม, มปทานอิทิบาทอินรียภละพุ่งชงใช่ไหมปอรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสอกอ พระโวหารของพระผู้มีพระภาค พ, พุทธเจ้าเป็นโล ก, กุตระใช่ไหมปรใช่สกคนบางคนที่จะฟังพระโวหารของพระผู้มีพระภาค พ, พุทธเจ้ามีอยู่ใช่ไหมปรใช่สกโล ก, กุตระธรรมรับรู้ได้ด้วยโสตะกระทบที่โสตะมาสู่คลองแห่งโสตะใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสก โลกุตระธรรมรับรู้ไม่ได้ด้วยโสตะเมื่อกระทบที่โสตะไม่มาสู่คลองแห่งโสตะมิใช่หรือปอรอใช่สกหากโลกุตระธรรมรู้ไม่ได้ด้วยโสตะไม่กระทบที่โสตะไม่มาสู่คลองแห่งโสตะท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าพระโวหารของพระผู้มีพระภาค พ, พุทธเจ้าเป็นโลกุตระสามร้อยสี่สิบเก้าสก พระ Dante, โว да หารของพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าเป็นโลกุตระใช่ไหมปรใช่สกคนบางคนที่จะพึงยินดีในพระโวหารของพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้ามีอยู่ใช่ไหมปรใช่สกโลกุตระธรรมเป็นที่ตั้งแห่งราคะเป็นที่ตั้งแห่งความยินดีเป็นที่ตั้งแห่งความใคร่เป็นที่ตั้งแห่งความเมาเป็นที่ตั้งแห่งความผูกมัด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 คนบางคนที่จะพึงขัดเคืองในพระวัวหานของพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้ามีอยู่ใช่ไหมปรใช่สกโลกุตระธรรมเป็นท wow. ี่ตั้งแห่งโทสะเป็นที่ตั้งแห่งความขัดเคืองเป็นที่ตั้งแห่งความกระทบกระเทือนใจใช um ่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกโลกุตระธรรมไม่เป็นที่ตั้งแห่งโทสะไม่เป็นที่ตั้งแห่งความขัดเคือง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 สกคนบางคนที่จะพึงหลงในพระโวหารของพระผู้มีพระภาค พ, พทเจ้ามีอยู่ใช่ไหมปรใช่สกโลกุตรธรรมที่เป็นที่ตั้งของโมหะทําความไม่รู้ทําให้เป็นผู้ไม่มีจักสุเป็นที่ปิดกั้นแห่งปัญญาเป็นฝ่ายแห่งความขับแค้นไม่เป็นไปเพื่อนิพพานมิใช่หรือปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสก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 ชนเหล่าใดเหล่าหนึ่งฟังพระโวหารของพระผู้มีพระภาค พ, พุทธเจ้าอยู่ชนเหล่านั้นทั้งหมดเจริญมรรคใช่ไหมป ร, รใช่สกพาณแปุถุชนฟังพระโวหารของพระผู้มีพระภาค พ, พุทธเจ้าอยู่ชื่อว่าเจริญมรรคใช่ไหมป ร, รไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกผู้ฆ่ามารดาฆ่าบิดาฆ่าพระอรหันต์ทำร้ายพระพุทธเจ้าจนถึงพระโลหิตท่อ ทำลายสงให้แตกกันฟังพระว호หานของพระผู้มีพระภาค พ, พุทธเจ้าอยู่ชื่อว่าเจริญมรรคใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นส5 1้ยห้าเอ็ดปรกองเข้าเปลือกก็ดีกองทองก็ดีใช้ไม้เท้าทองชี้บอกได้ใช่ไหมสอกอใช่ปรอย่างนั้นเหมือนกันสภาวะธรรมที่เป็นโลกิยะก็ดีที่เป็นโลกุตระก็ดี พระผู้มีพระภาคตรัส ด, ด้วยพระโวหารที่เป็นโลกุตระสกอกองข้าวเปลือกก็ดีกองทองก็ดีใช้ไม้เท้าต้นละหุงชี้บอกได้ใช่ไหมปอรอใช่สอก อ, อย่างนั้นเหมือนกันสภาวะธรรมที่เป็นโลคียะก็ดีที่เป็นโลกุตระก็ดีพระผู้มีพระภาคตรัส ด, ด้วยพระโวหารที่เป็นโลคียะสาม้อยห้าสิบสองสองก พระโวหารของพระผู้มีพระภาคพุทเจ้าเมื่อตรัสโลคิยะธรรมก็เป็นโลคิยะเมื่อตรัสโลกุตระธรรมก็เป็นโลกุตระใช่ไหมอรใช่สกเมื่อตรัสโลคิยะธรรมพระโวหารนั้นกระทบโสตะที่เป็นโลคิยะเมื่อตรัสโลกุตระธรรมกระทบโสตะที่เป็นโลกุตระเมื่อตรัสโลคิยะธรรมชนทั้งหลายรับรู้ได้ด้วยวิญญาณที่เป็นโลคิยะ เมื่อตรัสโลกุตระธรรมรับรู้ได้ด้วยวิญญาณที่เป็นโลกุตระเมื่อตรัสโลกียธรรมปุตุชนรับรู้ได้เมื่อตรัสโลกุตระธรรมพระสาวกรับรู้ได้ใช่ไหมปอรรรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปอรรท่านไม่ยอมรับว่าพระโวหารของพระผู้มีพระภาค พ, พุทธเจ้าเมื่อตรัสโลกิยธรรมก็เป็นโลกียเมื่อตรัสโลกุตระธรรมก็เป็นโลกุตระใช่ไหม สกใช่ปรพระผู้มีพระภาคตรัสทั้งโลกคยธรรมและโลกุตระธรรมมิใช่หรือสกใช่ปรหากพระผู้มีพระภาคตรัสทั้งโลเคยธรรมและโลกุตระธรรมดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าพระโวหารของพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าเมื่อตรัสโลเคยธรรมก็เป็นโลเคยะเมื่อตรัสโลกุตระธรรมก็เป็นโลกุตระสก พระโวหารของพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าเมื่อตรัสโลคิยะธรรมก็เป็นโลคิยะเมื่อตรัสโลกุตระธรรมก็เป็นโลกุตระใช่ไหมปรใช่สกเมื่อตรัสมรก็เป็นมรเมื่อตรัสสภาวะธรรมที่ไม่ใช่มรก็เป็นสภาวะธรรมที่ไม่ใช่มรเมื่อตรัสผลก็เป็นผลเมื่อตรัสสภาวะธรรมที่ไม่ใช่ผลก็เป็นสภาวะธรรมที่ไม่ใช่ผลเมื่อตรัสนิพานก็เป็นนิพาน เมื่อตรัสสภาวธรรมที่ไม่ใช่นิพพานก็เป็นสภาวธรรมที่ไม่ใช่นิพพานเมื่อตรัสสังขตะธรรมก็เป็นสังขตะธรรมเมื่อตรัสอาศังขตะธรรมก็เป็นอาศังขตะธรรมเมื่อตรัสรูปก็เป็นรูปเมื่อตรัสสภาวธรรมที่ไม่ใช่รูปก็เป็นสภาวธรรมที่ไม่ใช่รูปเมื่อตรัสเวทนาก็เป็นเวทนาเมื่อตรัสสภาวธรรมที่ไม่ใช่เวทนาก็เป็นสภาวธรรมที่ไม่ใช่เวทนา เม so <uto> ื่อตรัสสัญญาก็เป็นสัญญาเมื่อตรัสสภาวธรรมที่ไม่ใช่สัญญาก็เป็นสภาวธรรมที่ไม่ใช่สัญญาเมื่อตรัสสังขารก็เป็นสังขารเมื่อตรัสสภาวธรรมที่ไม่ใช่สังขารก็เป็นสภาวธรรมที่ไม่ใช่สังขารเมื่อตรัสวิญญาณก็เป็นวิญญาณเมื่อตรัสสภาวธรรมที่ไม่ใช่วิญญาณก็เป็นสภาวธรรมที่ไม่ใช่วิญญาณใช่ไหมปรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้น วัหารกคถาจบสิบอ็ดนิโรธาคถาว่าด้วยนิโรธสา้อห้าสิบสามอกอนิโรธมีสองอย่างใช่ไหมปอรอ์ใช่สอกอทุกข์นิโรธมีสองอย่างใช่ไหมปอรอ์ไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสอกอทุกข์นิโรธมีสองอย่างใช่ไหมปอรอ์ใช่สอกอ นิโรธาสัตว์มีสองอย่างใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกนิโรธาสัตว์มีสองอย่างใช่ไหมปรใช่สกทุกขสัตว์มีสองอย่างใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกนิโรธาสัตว์มีสองอย่างใช่ไหมปรใช่สกสมุทยาสัตว์มีสองอย่างใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้น สอกอนิโรธาสัตมีสองอย่างใชไออ่ไหมปรใช่สกมรรสัตมีสองอย่างใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกนิโรธาสัตมีสองสอย่างใช่ไหมปรใช่สกที่ต้านทานมีสองอย่างที่เร้นมีสองอย่างที่ระลึกมีสองอย่างจุดมุ่งหมายมีสองอย่างที่มั่นมีสองอย่างอมตะมีสองอย่าง นิพพานมีสองอย่างใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกนิพพานมีสองอย่างใช่ไหมปรใช่สกนิพพานทั้งสองอย่างยังมีความสูงต่ำความเลวและความประนีความยิ่งและหย่อนเขตแดนความแตกต่างร่องรอยช่องว่างอยู่ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกนิโรธมีสองอย่างใช่ไหม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 สังขารแม่ที่ดับโดยพิจารณาชื่อว่าดับเพราะอาศัยอริยมรรคใช่ไหมปรใช่สกสังขารที่ดับโดยไม่ต้องพิจารณาชื่อว่าดับเพราะอาศัยอริยมรรคใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกนิโรธมีสองอย่างใช่ไหมปรใช่สกสังขารที่ดับโดยพิจารณาไม่เกิดขึ้นอีกใช่ไหมปรใช่ สกสังขารที่ดับโดยไม่ต้องพิจารณาก็ไม่เกิดขึ้นอีกใช่ไหมป ร, รไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกดังนั้นท่านจึงไม่ควรยอมรับว่านิโรธมีสองอย่างนิโรธาคถาจบธุติยวัคจบรวมคาถาที่มีในวัคนี้คือหนึ่งป ร, รูปหาระคถาสองอัญญานคถาสกังขาคถา 4. ปราวิตารณะกถาหวจีเพทะกถา 6. ทุกขาหาระกถาเจจิตตติติกถา 8. ปุกุละกถา 9. อนุปุกพาภิสมยะกถาส0ววหาระกถาสิบอดนิโรธะกถา